แนะนำบทยาซีนบทยาซีนเป็นบทมัคคิยาะมีแปดสิบสามองการที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสําคัญที่เป็นหลักการสามเรื่องคือการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมบทนี้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอัลกุรอานถึงความถูกต้องขององค์การและความจริงแห่งสารของมุฮัมมัดสุลลัลลฮวะไลวะสละัม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 เพื่อเตือนให้นึกถึงผลแห่งการปฏิเสธองค์การและศาลแห่งพระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของนักเผยแผ่ผู้ศรัท ธ, ธาผู้หนึ่งคือฮาบีบุญนัดยาห์ซึ่งเขาได้สั่งสอนกลุ่มชนของเขาแล้วกลุ่มชนนั้นได้ฆ่าเขาเอาลัลลอฮ์จึงส่งให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์และพระองค์ไม่ได้ประวิงเวลาให้แก่บรรดาอาจยากลเหล่านั้น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 ภาพลักษของดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าที่หมุนโครจรไปด้วยเดชานุภาพแห่งอัลลอฮ์ภาพลักของดวงจันทร์ที่โครจรไปตามจักรราศีของมันภาพลักษของที่พบที่บรรทุกลูกหลานของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งยิ่ง บทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะและความน่ากลัวของมันกล่าวถึงการเปล่าสังแห่งวันฟื้นคืนชีพและวันชุมุกซึ่งมนุษย์จอบมาจากสุสานกล่าวถึงชาวนารกและชาวสวรรค์และการแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัท ธ, ธากับบรรดาอาทญากรในวันอันน่าหวาดกลัวนั้นจนกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่มีความสุขจะพํานักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวร แต่บรรดาผู้ที่มีความทุกข์ก็จะลงไปอยู่ในนรกยานนำย่างถาวดบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องการฟื้นคืนชีพพร้อมกับได้มีหลักฐานมายืนยันว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนด้วยพระนามของล้อผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาซีนวัลกุรอานอัน حكيم ยาซีนขอสาบานด้วยคำเพี้ Al ์อัลกุรอานที่มีคำสั่งอันรัดกุมอินกะละมินัลมุสลิม على صراط م س ت ق ي แท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ถูกส่งมาอย่างแน่นอน เป็นผู้อยู่บนแนวทางอันที่ตรงรรอัลกุรอานนี้เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงเดชาลุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจโดยแน่นอนประกาศิีได้เป็นที่สมจริงแล้วแก่พวกเขาสุวนมากเพราะพวกเขาไม่สรัทธาถ้าจริงเราได้พันธนาการพ่คอของพวกเขา มันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขาดังนั้นศีรษะของพวกเขาจึงเหย่อขึ้นนมิคชและเราได้ทําเครื่องกีดขวางไว้ข้างหน้าพวกเขาและเครื่องจีดขวางไว้ข้างหลังพวกเขาและเราได้คลุมพวกเขาไว้อย่างวิจิตดังนั้นพวกเขาจึงมอง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 ถ้าจริงเจ้าเพียงแต่ตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตักเตือนเท่านั้นและเขาเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาโดยทางลับดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันมีเกียรติเถิดอินน่าหนะห์นุฮุนุฮีลโมต้าวนัสุบุมะคัตด์ดมูแอดาระห์ ถ้าจริงเราเป็นผู้ให้คนตายกลับมีชีวิตขึ้นและเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้แต่กอดและร่องรอยของพวกเขาและทุกสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนได้บันทึกอันชัดเจนอักรบล่หุมมอ ص ح ا ب القرية إ ب ْ ج َ ا ل م ْ م ُ و ن และเจ้าจุงเล่าเรื่องชาวเมืองอันตเคียแก่พวกเขาเมื่อมีศาสนทูตมายัางเมืองนั้น إ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 ฟูขาบนาศาสนาทูตกล่าวว่าลางร้ายของพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าเองพวกเจ้าได้ถูกจักเตือนมาก่อนแล้วมิใช่หรือกปล่าดอกพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนตังหัน และมีชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้มาอย่างรีบเร่งเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชญของฉันจงปฏิบัติตามบรรด า, าศาสนาทูตเหล่านี้เถอพวกเจ้าจงปฏิบัติตามผู้ที่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 และพวกเขาก็จะช่วยฉันรอดพ้นจากการลงโทษไปไม่ได้แท้จริงเมื่อ น, นั้นฉันอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจง้งแท้จริงฉันศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า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 หลังจากเขาและเราก็ไม่ใช่ผู้ส่งเขาลงมาออลมันไม่ใช่อื่ในใดนอกจากเสียงกับพนาดเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับสนิทยาหสร์ตะนั้นกาลับาดมะยาติลิมมะรสูลิลลลาคาูบิฮยสตล โอ้อนิจจาพวงเบาไม่มีาศาสนทูตคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เย้ยหยันเขาพวกเขาไม่ได้พิจารณาดอกหือว่ากี่ศตวรรษมาแล้วก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทําลายโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้กลับมาอย่างพวกเขาเลย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 เราได้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและเราได้นำมเมล็ดพืชออกมาจากมันซึ่งส่วนหนึ่งจากมเมล็ดพืช น, นั้นพวกเขาใช้รับประทานแล้วเราได้ทำให้แผ่นดินนั้นมีเรื่องสวนมากมายจากอินทผ ล, ลัมและอุบน และเราได้ทำให้มีตาน้ำในนั้นเพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้ของมันและจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้กระทรมันขึ้นแล้วพวกเขาจะไม่ขอบคุณการนั้นหร่ง สูบฮาน الذي خلق الأزواج كلهم مما تنبت الأرض ومن أ ن ف س ه م م م ا لا يعلمون มหาบริสุทแด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่จากสิ่งที่แผ่นดินได้มันงอกเงยขึ้นมาและจากตัวของพวกเขาเอง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 และพวกเขาก็อยู่ในความมืดและดวงอาทิตย์จะโครจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้และดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโครจรตามตำแหน่ง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 ทันใดนั้นพวกเขาก็ะจอกจากหลุมฝังศพแลวพวกเขาก็จะรีบรุดไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอความหายนาที่ประสบแต่เราใครเล่าที่ทำให้เราฟื้นจากที่นอนของเราในกุโบต์จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาได้ทรงสัญญาไว้และบรรดาหรอษูได้กล่าวสมจริงแล้วไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกับบนหน้าเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้ารา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 ถ้าจริงล้ ว, วันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญพวกเขาและผู้ครองของพวกเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงานอนเอกเนเอกอยู่บนเก้าอี้นุ่มสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้ และสำหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาต้องการาา e ความสันติซึ่งเป็นพระดำรัสหนึ่งจากพระผู้อธิบาลผู้ทรงเมตตาเสมอว uh โอบาัดาอาจากรทั้งหลายวันนี้พวกเจ้าจงถอยห่างออกไปให้พ้น ข้ามีได้สัญญาแก่พวกเจ้าดอกหรือโอ้ลูกหลานของอาดัมว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพบูชาชัยตอนมารไว้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 น, น, นี่คือนรกยานนำซึ่งพวกเจ้าถูกสัญญาว้ลยา ว, ยวันวันนี้พวกเจ้าจะได้เข้าไปลิ้มรสมันเนื่องจากพวกเจ้าปฏิเสธวันนีม วันนี้เราก็จะปิดผนึกปากของพวกเขาและมือของพวกเขาจะพูดจาเราและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานตามที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้วนน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 าหลนและพวกเขาไม่ได้พิจารณาดูดอกคือว่าเราได้สร้างปสัสสตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทําขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้ครอบรอววคร อ, รองนิแต่เราได้ทําให้พวกมันยอมจํานวนแก่พวกเขาดังนั้นบางชนิดมันก็เป็นพาหนะแฉพวกเขา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 إن ان أن มนุษย์ไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าเราได้บังเกิดพวกเขามาจากน้ำอสุจิและเขาก็ได้เป็นคู่ปรปักตัวชักกา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 จงกล่าวเถอดมัวหมัดว่าพระผู้ทรงให้กำเนิดมันครั้งแรกย่อมจะทรงให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้การบังเกิดทุกสิ่งผู้ทรงทำให้มีไฟสำหรับพวกเจ้าจากต้นไม้เขียวสด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 แล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาดังนั้นมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ซึ่งด้วยพระหัต์ของพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป